เราเคยสังเกตไหม เ, เวลานั่งรถไฟฟ้าหรือรถเมล์เนี่ยบางทีมีคนแก่หรือว่ามีหญิงท้องนะขึ้นมาเราก็อยากจะลุกที่นั่งให้ที่นั่งนะแต่ว่าก็ไม่ทำเพราะว่าอายนะไม่มีคนทำแล้วเราทำแล้วสึกว่าอายนะบางคราวเนี่ยนะมีคนเป็นลมอยู่ริมถนน เคยมะเราเดินผ่านอยากจะช่วยเขานะแต่ว่าเห็นคนอื่นเขาไม่ทาแล้วเราทําคนเดียวเราก็อายนะอดี๋งวนี้มันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่านะกล้าทําชั่วกลัวทําดีนะกล้าทําชั่วคือเวลาทําชั่วนี่กล้ากันนักนะเช่นยกพวกตีกันนี่ก็กล้านะเอามีดไล่ฟันกันนี่ก็กล้าแต่เวลาจะ ช่วยคนที่เขาเป็นลมอยู่ข้างถนนนี่กลัวอันนี้ก็น่าแปลกนะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยกล้าทําดีควรจะกล้าทําดีมากกว่าส่วนความชว น, นต้องกลัวแต่ดีมันตรงข้ามนะนเด็กไปเด็กอยากจะช่วยพระสะพายย่ามบิณฑบาตแต่กลัวกลัวเพื่อนว่านะกลัวเพื่อนล้อนะอันนี้เราต้องถ้าเราเป็นอย่างนี้เราต้อง ปรับใจของเราให้สมัยนะว่าเมื่อทำความดีแล้วนี่มันคือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจคนที่ไม่ทำต่างหากที่ควรจะละอายนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคนที่ไม่ทำความดีหรือคนที่หนักกว่านะั้นคือทำความช่วยเนี่ยเขารวมกลุ่มกันนะเห็นใครทำความดีเขาก็ล้ อ, เ ข, ลอเขาก็นินทาไอ้บรรยากาศแบบนี้ก็เกิดได้ที่ทำงานหลายแห่งเหมือนกันนะ บางคนนี่ตั้งใจมาทำงานมาทำงานตั้งแต่เช้าก่อนใครนะแล้วก็เย็นแล้วก็ยังทำงานอยู่นะตั้งใจก็ถูกคนนินทานะถูกเพื่อรวมงานนินทาจนกระทั่งไม่กล้าทำแล้วนะอันนี้ไม่ต้องพูดถึงตำรวจหนะ้าที่กลัวที่จะซื่อสัจสุจริตนะไอการคดโกงการทุจริตนี่เดี๋ยวนี้นะในหลายวงการ ซึ่งอาจจะรวมถึงวงการตำรวจด้วยนี่ถ้าทำได้ง่ายก็เรียกว่ากล้าทุจริตนะแต่ว่ากลัวที่จะซื่อตรงนะถ้าพวกเรานะต้องพยายามปรับใจนะเวลาทำความดีเนี่ยนะแม้เราจะทำคนเดียวหรือมีไม่กี่คนทำก็ต้องรู้สึกนะว่านี่คือสิ่งที่น่าภาคภูมิใจไม่ต้องกลัวนะเวลา คนแก่ขึ้นมารถเมล์รถไฟฟ้านะก็กล้าที่จะลุกให้ที่นั่งกับเขานะใครเ้าไม่ทำก็เป็นเรื่องของเขานะอย่าไปแคร์สายตาของคนอื่นมากโดยเพราะเวลาเราทำความดีนะต้องเปลี่ยนใหม่นะแทนที่จะกล้าทำชั่วกลัวทำดีก็เปลี่ยนเป็นว่ากลัวทำชั่วนะแต่ว่ากล้าทำดีเดี๋ยวนี้ผู้คนไปไปแคร์สายตาคนอื่นมากนะ จะทำอะไรก็กลัวว่าเขาจะมองเราอย่างไรนะก็เลยนะอดอ่อนผ่อนตามาทางั้งที่ก็ไม่ให้เรื่องสำคัญนะใครเขามีอะไรเราก็ต้องมีบ้างเพื่อไม่ให้เขาว่าเรานักเรียนบางคนก็เป็นคนที่ประหยัดมัธยัตินะโทรศรัพท์มีก็อาจจะเป็นโทรศรัพท์ประเภทใช้มาหลายปีจอไม่มีสีนะ นะที่จริงก็น่าภาคภูมิใจนะว่า เ, ออเราประหยัดนะเพราะเราใช้โทรศัพท์เนี่ยเพื่อติดต่อสื่อสารไม่ใช่เพื่อเพื่อโชว์ใครนะแต่บางคนก็อายนะอายที่จะใช้หรือมีโทรศัพท์แบบนี้นะต้องมีนะ h o n e ต้องมี iPad นะต้องมีข้าวของเครื่องใช้ราคาแพงพอไม่งัานเขาจะดูถูกเราไม่เห็นหน้าดูถูกเลยนะ เพราะว่าเราประหยัดมัธยัตนะเออถ้าเราฟุ้งเฟอ้อที่นี่น่าดูถูกหรือว่าถ้าเราไม่ขยันเรียนเสียนี่น่าดูถูกนะถ้าเราทําความดีต้องมั่นใจนะอย่าไปอย่าไปแคร์สายตาของคนอื่นนะถ้าเรานะถ้าคนอื่นโง่แล้วเราจะโง่ตามเขานี่มันฉลาดหรือเปล่านะถ้าคนอื่นชั่วแล้วเราจะชั่วตามเขานี่ก็คงไม่ใช่ความฉลาดแน่นะท่า น, นทําใจให้มั่นคงนะ มั่นใจในความดีแล้วก็ทำไปแต่ทำแล้วนี่ก็อย่าไปดูถูกคนอื่นนะว่าฉันเก่งฉันแน่ฉันทำคนอื่นไม่ทำก็อย่าไปดูถูกเขาเราลุกขึ้นให้ที่นั่งกับคนแก่คนชราหรือว่าคนเจ็บคนป่วยก็ไม่ใช่หลวงตัวลืมตัวว่าเราเป็นเทวดานะหรือไปดูถูกว่าคนที่เขาไม่ยกไม่ไม่ลุกที่นั่งให้เราไม่ดูถูกเขานะ แต่เราก็ไม่กลัวสายตาถ้าเขาจะล้อนะเพราะว่าเราทำความดีแล้วนะผลดีก็เกิดขึ้นกับเราเองถ้าไม่ทำคนไม่ทำเขาก็ได้รับผลของเขานีนะนะต้องกล้านะกล้าทำดีนะแล้วกลัวทำชั่วนะเวลาทำข้อสอบใครก็จะลอกใครเขจะใครจะตัดแปะทำรายงานก็ช่างเขาเราตั้งใจทำด้วยนำพนนำรายของเรา ทำแล้วใครก็จะล้อว่าเราโง่นะก็อย่าไปสนใจนะคนที่ล้อต่างหากที่โง่นะอ่าแล้วก็เตรียมรับพร